คือกาเมสุมิชชาจานในสมัยหรือในท้องถิ่นที่บุรุษมีสิทธิเหนือสตรีเช่นสังคมทั่วไปอนุญาตให้ชายมีภรรยาได้หลายคนเรื่องของศีลข้อกาเมสุมิชชาจานจะเป็นเน้นกันที่ฝ่ายหญิงกล่าวคือหากมีการจองตัวกันแม้ด้วยพวงมาลัยคล้องคอก็ให้ถือว่าเป็นการมั่นหมายเรือนร่างของหญิงนั้นเป็นของต้องห้ามไปแล้ว